ฟังธรรมตอนเช้าตอนเย็นมีผู้พูดมีผู้ฟังบการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของกายของใจเราเนี่ยให้เราได้รู้จากตัวเองทุกแง่ทุก ม, มุม ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พ้นพบชีวิตอันได้จากกายจากใจนี้เห็นเท็จเห็นจริงอย่างไรเราจะได้ใช้มันให้ถูกต้องสำเร็จประโยชน์ถ้าไม่รู้ก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อเราจน เกิดปัญหามีคุกมีตารางมีตำรวจทหารมีรล้วจะทำงมนูญถ้าเรารู้แล้วไม่ก็ต้องไม่มีอะไรครุกตารางก็ไม่ต้องมีเป็นมิตรภาพภาพเรียบมาตรฐานของชีวิต มันได้มาสถานพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองในเรื่องนี้สอนผู้อื่นให้รู้ตามพระธรรมมีอยู่จริงที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงในชีวิตเรานี้ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติตามธรรมย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัตินี่คือพระธรรมมีอยู่ในการในใจเรานี้ทําให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้ อย่างต่ำลงมาก็เป็นมระอาดีบุคคลชั้นหนึ่งชั้นใดาตามฐานะของผู้ปฏิบัติต่ำที่สุดคือเป็นพระโสดาบันตามฐานะ <c oughs> เหมือนกับเราทำมาหากินถ้ามีความสามารถก็ สร้างฐานะได้ดีถ้าไม่มีความสามารถก็ยากจนพระสงฆ์เถ อ, อพวกเราเนี่ยมูชนมูช น, ชนทั้งหมดแต่ว่าคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายคือหมูชนผู้เชื่อฟังคำสอนแล้ว การปฏิบัติชอบตามก็ทธรรมไม่ใดแอนเป็นคำสอนเป็นชัยธรรมปฏิบัติชอบตามทำไม่ไหนก็เกิดความรู้ยิ่งเห็นเริงในธรรมนั้นแล้วก็ไปสอนคนในรู้ตามชื่อว่าพระสงฆ์ มีอยู่ในชีวิตเรานี่ถพระสงพระธรรมพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในกายในใจเรานี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นการศึกษาเรื่องนี้ก็มีสูตรเป็นสูตรอย่างที่เราสาธยายสูตรในหนทาง วิทีศึกษามีอยู่แปดลักษณะได้ว่ามักมีองค์แปดเป็นทางดำเนินด้ถึงซึ่งปาพุทธราธรรมระสงสมบูร็จทั้งแปดอากนี้ลวงกันเป็นหนทางอยู่ในการในใจเรานี้ นี่สมาธิสมาทิิมาดูที่ไหนไปท่องหนังสือไปท่องตำราหรือไม่ใช่จะเป็นสมาสมาสมาทิสมมาสมา ธ, มา ธ, มาธิจนถึง อันสุดท้ายมันก็คืออยู่ในชีดเราเช่นเรามีสติมันก็ละความชั่วล้วทำความดีจิ ต, จตบริสุทธิ์เ็ดไปเลยไปเป็นพวงเลยเรามีสติมันก็ป้องกันแช้ไข แก้ไขสิ่งที่ทำมาป้องกันสิ่งที่ยังไม่เกิดอันความชั่วในปัจจุบันแล้วก็บ้านคงไม่เสียงไหมฮะ <c oughs> ทำไมมันหมดไปหมดไป <c oughs> นี yeah. ่ น, นปฏิบัติได้ให้ผลได้ก็มีสติมันก็รับความชั่วแล้วมีสติมันก็ทำความดีมีสติจิดมันก็บริสุทธิ์การลับความชั่วการทำความดีการทำจกตที่บริสุทธิ์คืออะไรก็คือศีลเป็นการรักษาศีล กำความดีเป็นสมาธิจิตบริสุทธิ์เป็นปัญญาเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาศินสมาธิปัญญามันคืออะไรมาคือเป็นองมรรคเป็นเป็นทางทางที่เราสาธยายสมาธิติสมมาสังกัปปะสัมมาปะจารเป็นศิน น่นละมันก็ชอบอยู่แล้วไม่ต้องไปท่องการเลี้ยงชีวิตชอบการพูดจาชอบการเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบเป็นสมาธิอยู่แล้ว ความภาพเขียนชอบอ ه, เ, ปเป็นสมาธิเป็นสติเป็นฉินเป็นสมาธิการภาพเพียนชอบการมีสติการมีสมาธิเป็นนั่นมาคือปัญญาแล้วเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญาไ ป, นา ป, น ป, นาปนในตัวแล้ว กกมันก็นกกละอกุศลที่ยังไม่เกิดมันก็ละอกุศลป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมัน ก, ก็ละแล้วออมมีสติเนี่ยมีสติมัน ก, ก, ก็สร้างกุศลที่ยังที่เกิดขึ้น มีสมามีสติแล้วมันก็สร้างกุศลตอนที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมีสติมันก็กุศลได้เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเป็นความเพียรชอบแล้วแต่ก่อนไม่ค่อยมีสติมักจะหลงทาใหม่ใง่ายที่จะหลง ทาไปทามาง่ายที่จะลูกระมันมากขึ้นในที่สุดไม่แต่ภาวะที่ลูกรว่าที่หลงหมดไปมันก็มันก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นจึงรับความชั่วทําความดีเป็นตัวเสร็จ วิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่สมศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จประโยชน์ไม่มีอะไรที่จะสำเร็จประโยชน์เท่ากับวิชากรรมฐานแล้วก็เป็นปัจจตังสัมผัสได้ไม่ต้องรอ นรยกมือพลิกมือก็รู้ได้ทันทีน่าจะขยันภาวะที่รู้เป็นยังไงใช่ได้ไหมภาวะที่หลงเป็นยังไงใช่ได้ไหมนี่มันก็เป็นปัจจิตังของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องทำเอาเอง เราก็มีกายมีใจทำได้เอากายมาทำดีเอาใจมาทำดีรวมกันเข้ามันก็ <c oughs> ทำได้สำเร็จถ้าเป็นชับก็เจ็บเอาเจ็บเอามีทั้งเก็บมีทั้งรักษาไปในตัวเสร็จ มีติตก็ป้องกันแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาม่ความไม่ดีมีติก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาทั้งแก้ไขทั้งป้องกันมีติตมันก็มั่นคง <c oughs> มันก็เป็นทั้งอดีตเป็นทั้งอนาคตเป็นทั้งปัจจุบันนี่คือของจริง แล้วก็จะเห็นในสิ่งที่มันเท็จมันจริงเห็นมันหลงมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องเห็นไม่หลงในข้าวเดียวกันมันมีข่าวเดียวกันมันมีสองลักษณะมันเป็นคู่เรียกว่า เย่อ묵หว่าอะไรภาษาบาีนะภาษาไทยเราว่าคูา่มันก็เห็นอย่างนี้เช่นเห็นเกิ ด, ดต้องมีไม่เกิ ด, ดเห็นเจรต้องมีไม่เจร<ด>เห็นเจ็บต้องมีไม่เจ็บเห็นตายต้องมีไม่ตาย<ด>เห็นความหลงต้องมีไม่หลง เห็นความโกรธต้องไม่ไม่โกรธเห็นความทุกข์ต้องมีไม่ทุกข์เห็นอะไรมันมีคู่แบบนี้จเลือกได้แท้ๆอย่างเนี่ยเลือกเป็นอย่างนี้เรียว่ า, วาชนะมีว่าชนะไหมชีวิตเรานะ่ะงัวแต่ยกบาว่ายไม่รู้จักเลือกมันหลงเลือกไม่หลงนะว่าชนะทําลงไป ไม่ใช่อ้อนวอนเป็นการกระทาจริงๆนะหัดอันนี้ก็พร้อมบารมีก็เกิดขึ้นก็พร้อมว่าสนาบารมีพร้อมต็หัดเหมือนเรามีวิชาความรู้เราก็มีความรู้บันเลียนมามก็พร้อมที่จะใช้ ถ้าทั้งหลายมีปัญญามีเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียนมาทำงานได้สำเร็จแ น, น่มีบุญมีวาสนาะบารามีหัดมาแล้วแล้วก็ทาเป็นสทิที่เราหัดมาหัดชีวิตมาด้วยมือด้วยกายด้วยใจของเราเนี่ยมันทำไมจะไม่เป็น ถ้ามันเป็นเดี๋มันหลงไม่หลงทาไม่เป็นถ้ามันหลงเป็นหลงนี่ว่าทำไม่เป็นมันทุกเป็นทุกทําไม่เป็นมันทุกต้องไม่ทุกทําเป็นนั้นโกรธต้องไม่โกรธทาเป็นมันคืออะไรบ่อยเท่งเป็นการบ้านเป็นเป็นการด้านแบบมันไม่ใช่ ไม่ได้ใช้ชีวิตหัดจนมันได้ชีวิตไม่เป็นอะไรเพราะมันเห็นมาแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เห็นไหมเราสวดสาธยายพระสตรสัมมาสมาธิ สุดท้ายจะถึงมากถึงผลคืออะไรเพราะาสุขละทุกมีแต่สติแล้วแหลวอยู่ทำเป็นไหมเป็นฌานรงที่สี่ฌานอง์ที่สี่นี่กจะเข้าถึงผลนิพพานพระเจ้านิพพานที่นี่ ไม่ใช่ในพานที่กุชินาลาสวนมังลกักษ์ระหว่างต้นลังทั้งคู่ไม่ใช่อันนั้นเป็นเป็นรูปประธรรมงามธรรมจริงๆมันคือนี่แล้วก็หาดเปลี่ยนไปมันมีอะไรบ้างนีกาย มีเวทนามีกิจมีธรรมเราก็เห็นอยู่ด้วยการสัมผัสเวลาเราฝึกกรรมฐ า, านนี่กายมันแสดงอะไรบ้างมันออกมาอย่างไงบ้างเป็นตัวเป็นตนในกายมีไม้หรือว่าเห็นเฉยเฉยมันร้อนเป็นผู้ร้อนมันปวดเป็นผู้ปวดมันสุกเป็นผู้สุกมันทุกข์เป็นผู้ทุกข์มันไม่เห็นมันยังเป็นอยู่ ถ้าเห็นมันไม่เป็นก้าทุกเป็นทุ ก, กเห็นงูยังให้งูกัดก็ไม่ใช่เห็นถ้าเห็นแล้วก็ดีมักจะปลอดภยัยเห็นแล้วออกไปไปเราก็พน้นลักษณะ สองอริยสีอริสัจสีใช่ไหมเห็นไม่เป็นเห็นเห็นทุกไม่เป็นทุกข้นจากทุกนี่อริยสีอริสัจสีเห็นทุกไม่เป็นทุกข้นจากทุกมันเห็นแล้วมันไป ถ้าเห็นด้วยสติไม่ใช่เห็นเหมือนตาเห็ น, ค, นความโกรธพ้นจากความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธเห็นกายไม่เอากายม่เป็นตัวเป็นตนมาเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์เห็นมันต้อ ง, องเป็นมันต้องมีแสงแดดมันต้องรอ้รอนหลองฝนมันต้องหนาวกายนี่ เห็นมันร้อนเห็นมันหนาวไม่เป็นผู้ร้อนไม่เป็นผู้หนาวเราใหญ่กว่าถ้าเป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเราเราดยที่สุดขั้วกายให้กายบังคับไม่ใช่ไม่ใช่ได้ชีวิตชีวิตไม่ใช่ได้จากลักษณะนั้นชีวิตได้จากการเห็นผ่านได้เห็นแล้วไม่เป็นเห็นกายสภาวะกาย ไม่ใช่สัตว์ปก ต, ตโตตนเราเขานี่พูดทเจ้าเฉลยไว้ให้แล้วสะดวกแล้วแม่นม่เรายัางไม่หลงตัวก็ให้ให้ให้เห็นกระเสเอาไว้ผู้ฝึกสติมักจะเห็นกระเสเห็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นแะ มันเกิดจากกาจักใจเนีกน่ก็สึกว่าเวทนาไม่ใช่ไม่ใช่ไปยอมมันมันต้องมีแน่นอนมีเจ่มีเจ็บมีตายในเจ็บเป็นเจ็บในตายเป็นตายมันใช่เห็นมันเจ็บ ไม่เป็นผู้เจ็บพู้เจ้าความเจ็บอันหนึ่งเห็นแล้วก็ยิ่งใหญ่มีมีชีวิตน่ามีการเกิดเจ็บเจ็บตายไม่มีชีวิตชีวิตเพื่อไปรับใช้ความเจความเจ็บความตายอันนั้นเรยกว่าไม่ใช่ชีวิตเราจะมาหัดเนี่ย มันต้องมีแน่นอนที่เป็นคู่แบบนี้แล้วชิรัตเเห็นเรื่องนี้เป็นการบ้านดังที่พูดในภาคเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหลวงตาก็ไปดูเจ้าอาเภอย่างข้อเนี่ยมอนาภาพไม่ค่อยเป็นอะไรไปสอบถามดูแล้ว เพงเป็นสองวันเท่านั้นเองก็หมอทาบไปแล้วยังไม่รักษาเลยเลยนี่มันมันพ่อแม่แบบนั้นชีวิต อ, อันมีกายมีใจพอ่อแมแบบนั้นหายใจไม่เข้ามันก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่ออกมันก็ตายเท่านั้นนะ้องตาลเคยตายแล้วจะไหะแบบนั้นมา ชีวิตมันเหมือนกับน้ำข้างบนยอกจ้าน้อยหน่อยเราจะประมาทเด้อางาเตรียมตัวมเตรียมตัวฝึกขัดเอาไว้ให้มันเห็นพเห็นหดเห็นทางเห็นที่เห็นทางได้เวลามันหลงงองเห็นแลว้วก็ไม่หลง มันสุขมันทุกข์มองเห็นตั้งความไม่สุขไม่ทุกข์มันมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเวลาเราปฏิบัติถ้าจะให้ได้ผลมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็จับเอาข้อมูลนั้นมาใช้มาเป็นเกณฑ์ชี้วัดในการกระทำ อะไรมันก็มีเกณฑ์ชี้วัดมีผิดมีถูกเช่นพระชิตรธะในคืนวันเป็นดืนหกเกณฑ์ชี้วัดได้ยากอะไรพระองค์ก็เห็นว่าชีวิตนี้เปรียบเหมือนไม่ไผ่ที่แค่ด้าม เอามาสีไฟไปเกิดไม่ได้เคยเจอไหมเอาไม่ไผ่มาสีไฟเคยเห็นไหมแต่ก่อนคุมโบราณเขาไม่มีไม่ขีดนะเอาไม่ไผ่มาสีไฟแห้งๆแต่ไม่ไผ่ที่สีไฟให้มันเกิดไปต้องไปไผ่แห้งเอาไม่ไผ่ที่ไม่มีไม่เปียกชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไง มไม่ไผ่ที่แค่น้ำย่อมสีไฟไม่เกิดไม่ไผที่เอาขึ้นจากน้ำแล้วเอามาไว้บนบกแต่ยังไม่แห้งสีไยก็ไม่เกิดไม่ไผที่เอาขึ้นมาบนบกแล้วเอาไว้ให้มันแห้งแล้วสีไฟย่อมเกิดเกณฑชที่วัดขั้งแรกที่พระศิรษะ ได้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเหมือ น, นกับพระองค์เนะี่ยพระออกจากแต่ก่อนอยู่ในในน้าเปียกด้วยความหลงความกดความทุกข์ความลากักความชังนี่ว่ามันเปียกอยู่กายก็อยู่ในภาวะเชนนั้นใจก็อยู่ในภาวะเช่นนั้นอะไรมาก็ถูกเลยเป็นไปเลย สุกก็สุกทั้งกายทั้งใจทุกข์ก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจเหมือนไม้แช่น้ำเหมือนไม้ไผ่ี้แช่ด้าอยู่ในสระแบบไหนนั่งอยู่ที่ต้นโพนี่ด้เปียบพอง ก, ก็ออกจากขึ้นมาบนโกแล้วแต่ยังเปียกอยู่ พ อ, อะไรยังสุขยังทุกข์ยังคิดถึงพิมพาลาหุนยังคิดถึงทรศีลจะเดินขานยังเป็นห่วงเน่าห่วงนี้กลัวตายว่าดียวใบไผ่ขึ้นมาบนบกแล้วยังเปียกอยู่ยังไม่แห้งยังคิดไปอยู่ยกายออกมาอยู่นี่แล้ว แต่ใจมัยังคิดอยู่ขึ้นมาบนบกแล้วมันยังเปียกในจะยังคิดยังอะไรที่มันพาไปอยู่แล้วก็คุคิดนะเห็นไหมตั้งใจจะยกมือมันก็คิดไปทางโน้นหลงไปคิดสุข ก, ก็เป็นสุขคิดทุกข์ก็เป็นทุกข์คิดรักก็เป็นรักคิดโกรธก็เป็นโกรธหรือว่ายังเปียกแต่กายอยู่นี้สุกโตเนี่ยใจไม่อยู่ที่ไหนมันเปียกไหม ยังมีไหมนี่เจนชีวิตของวองก็พลากออกมาในอะไรที่มันจะไปทุกข์ไปทุกข์ไปคิดไปโกรธไปรักไปชังก็ย่อมคิดถึงเช้นคนมีลูกก็คิดถึงลกูกคนมีเมียคิดถึงเมียคนมีแฟนก็คิดถึงแฟนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาในการเก่า ไม่รูจักสละอารมณ์นั้นออกไม่มีสติถือว่าศีลของเราก็ทะลุแล้วด่างพ่อยแล้วไม่ได้เป็นเกณฑ์บอกเราจยุดมาหลงที่ไหนกลับมาขึ้นบกมัโชกมันตกใจกลับมาขึ้นบกให้มันคล้องแค่เหมือนกับ สิ่งสโคร ก, กติดตัวติดกายลรงเช็ดออกทุบออกมันทำได้แบบนี้นะสติเนี่ยมันหลงไม่หลงงันทุกข์ไม่ทุกข์มันโกรธไม่โกรธกลับมาอย่างนัน้เรียกว่าปฏิบัติในที่สุดก็แห้งได้ง่ายมันอยู่มันตั้งมันตั้งมั่น มันตั้งมั่นเห็นในที่สุดก้อยแห้งเป็นยังไงตาเห็นโลกสักแต่ว่าเห็นงูได้ยินเสียงสัจธว่าได้ยินจก้มูกได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลล่นในรถสักแต่ว่าได้รถกายสัมผัสสัต่ว่าสัมผัสคิดใจมันคิดสัต่ว่าคิด สกแต่ว่าเสร็แล้วแห้งแล้วแห้งแล้วแต่ก่อนมันมันไม่เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นลดไปเลยตาก็เกิดลดไปเลยชอบมันชอบหูก็เกิดลดไปเลยจมูกเรื่องกายใจเกิดลดไปเลยวันนี้มันจืดมันแท้มันแห้งไม่มีลดไฟย่องเกิด ไถ้าเป็นเช่นนั้นผงก็รูกจกเกณฑ์ชีวัตเรานีไม่นานอีเกิดยานขึ้นไว ม, นะมันเป็นยังไงเมื่ออดีตชั่วโมงก่อนนาะทีก่อนเป็นงไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมนเกิดอะไรขึ้นต่างเขาไหม เห็นอะไรที่เป็นเจนอย่างปฏิบัติธรรมก็เห็นนะที่แรกก็เป็นกายเป็นใจนั้นเห็นบ่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นนามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแตกฉานทะลุทะลวงได้ใบข้อวูญแย่ๆเหมือนพิสู์เป็นวิทยาศาสตร์ เขตกิ๊ยังไงในรูปในนามเนี่ยมันก็ได้ข้อมูลได้หลักสูตรได้โครงสร้างเหมือนผู้ที่เรียนรูวิชาการอะไรมาศาสตร์อะไรอย่างนอาจารย์ตุ้งก็จบสถาปัตย์มันก็มองอย่งนีนะ จ่านจงกินก่อ น, นต้อนอนตรนี้แล้วนี่เรียกว่าเป็นศาสตร์กันดัแต่บางคนทำให้เป็นแต่ท่านทั้งหลายที่เหรียญแพทย์เหรียนหมอทำเป็นได้ข้อมูลจากคนป่วยเมื่อได้ข้อมูลก็รู้จักเชื่อโรคให้ยาถูกก็ไม่ใช้โรค การให้ยาเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ว่ามันเก่งอยู่กับการวินิจฉัยโรค<ล>เพราะหมอเดียนมาตาวินิจฉัยโรคถูกก็า<ล>ให้ยาถูกอย่างลองตาเนี่ย<ล>เขาตัดข้อเนื้อในคอไปตรวจแล้วว่าเป็นโรค ก, ก้อนเนื้อโตเร็วในน้ำเหลืองเกิดก็ง่ายตับ เอ็กซาเล่ทีซีมิเกนโนเป็นก้อนนื้อในตับปวดจากแรงหมอบอกว่าหน้าก้อนเนื้อในตับต้องให้กีโมตัวใหม่ข้าพเจ้าเผยเฉดวิธีการรักษาอื่นได้ ต้องให้เจียวโมตัวใหม่เข้าไปเลยให้หายยจยได้ได้เย็นกับหูหมอพูดให้ฟังนี่งานวินิชัยโลกมันก็หายถ้าวินิชัยโลกไม่เป็นก็ไม่หายทุกสิ่ ง, ท, งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุในชีวิตเราเนี่ยอยู่เฉยเราจะมาปศกไปใช่ ย่เฉยแล้จะมาทุกข์มันไปใช่มันไม่เห็นก่อนจึงสุขจึงทุกข์จึงโกรธจึงโลภจึงหลงจึงจรักจึงจังอะไรเป็นเหตุอเห็นจอมาทิฏฐิจมมาทิฏฐิอะไรเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าเห็นทุกข์นา น, นาน เห็นเหตุให้เกิดกทุกข์เห็นวิธีด็ดทุกข์เห็นห น, นทางที่ดำเนินอกแก่ทุกข์มีเท่านี้มีเท่านี้ทิศดีชีวิตเรามนจ่าขบุรีเจ้าในหลักดิฉันสี่เป็นทิศดีที่สำเร็จมานานแล้วสองพันกว่าปีแล้ว สามารถปีโฉดได้ที่จดีอย่างอื่นแล้วก็มีเป็นหมอเ้าก็มีทิษจดีอย่างเนี้ยรักษาคนหายอยตัวชีวิตเราที่จะได้ชีวิตนี่ที่จดีชีวิตเเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุก เห็นความดับเห็นวิธีที่ทําให้ถึงความดับทุกเห็นวิธีดําเนินออกไปจากทุกสี่อย่างนี่เป็นทิศดีมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเก่งบ้างจึงจะคุ้มค่าในที่เราได้มีชีวิตมาไม่ใช่เกิดบามาแจ็มาเ จ, าเจ็บบาตายเป็นทุกข์ปมทุกข์เป็นโกรธเพราะโกรธ เก็บกับเพราะเก็บตายกับเป็นผู้ตายแน่นอนที่สุดเราจะต้องได้หลักตรง น, นี้ยามสงบเราปึกยามตึกเราลบทำให้มันคล่องเหมือนทางที่เราเดินไปถึงไหนเราเคยเดินคล่องแ้ว ตรงที่มันหลงมันจะยิ่งชํานาญทางเช่นไหนที่มันหลงตรงไหนที่มันหลงไปชำนาญเมื่อเดินทางขับรถเดินทางตรงไหนที่มันจะเดีจ ะ, ะจะละจอนเอัดยิ่งมีศิละปะตรงไหนที่วางเตี๋ยวมันก็ไม่ต้องใช้ศิละปะอะไร ใช่ไหมฮะมีศิลปะอะไรไหมตรงไหนที่มันแยออดนั้วก็มันก็เจ๋งตรงนั้นนะไม่ใช่ขับรถเจ๋งตอนที่ทางเปี่ยวมันเจ๋งตรงที่จะเกิดอุบัติเหตุมันแค่ไขึ้รถวิ่งตันน่ะมันเบรกมันหลบหลงตาเคยนั่งรถ แต่ไหมไปอยู่กรุงเทพมาสอนนักศึกษามหาวะไราเกษตราตร์ากช่องแต่ไหม่ห้ารอยสิบแปดแต่ปีนั้นจำพรษากรุงเทพแต่นวนมาคนจกกักรพันเป็นคนขับนะเดี๋ยวนี่ยังอยู่หรือเปล่าก็าโล่คนวีโลดสิดิอั์นั่งมาด้วย กับหลองตานั่งมาด้วยกันสามชีวิตพอมาถึงทับควงมีรถวิ่งตัดหน้าเราก็วิ่งเร็วเพื่อจะให้มันทันเวลาคนจกักรพันวิ่งรถไหวไอ้รุ่นวิ่งตัดหน้าอยู่ทับควงคุณวิโลด นั่งอยู่ข้างหน้าไม่ได้ขับรถหลังตานั่งอยู่ด้านหลังคุณวิโรดคุณจกักรพันธ์เป็นคนขับรถคนวิโลดเนี่ยเหยียบเบรกทั้งทังตัวเองไม่ได้ขับรถเลยเหยียบเบอยืบเบรกยืบเ บ, บ, เบนั่งอยู่เียนะแ่เขาก็รอดได้ไม่ชน มันจักรพันธ์ก็เหยียบเบรกต่อยถามว่าคุยโลดมันทําอะไรดิ้นอะไรผมรู้ว่าผมขอบรถผมเหยียบเบรกได้คิดไหมไม่ได้คิดมันเป็นแล้วเอเว้งรถมันไม่แล้วเหยียบเบรกใช่ไหมคนขับรถเป็นนะก็แต่เนี่ยมันเป็นไม่ได้หัดเวลามันเจ็บมันเป็นเนี่ยเจะอย่างไง จะต้องทําให้เป็นหรือชีวิตของเราเน่ยให้มันอยู่ในกำมือของเราเนี่ยในที่สุดเราไม่ต้องเป็นดนไหลเนี่ยมันไม่ยากเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงง่อยงไม่ใช่ไปโหยมว่าลอยไม่รับไม่นอนไม่กินข้าวกินน้ําไม่ใช่อันหลงไม่จะอยู่ในทักษนานเกิดจากกายจากใจเอาลี้ไม่มีอริบต์ตาย ไอ้บนไหนก็สู้มันไม่ได้มีแต่สติเท่านั้นแหละเห็นมันเนี่ยมันมาถาะแต่ก็เห็นมันเน่มีสติก็ไม่ยากไม่ใช่อดหลับอดนอนไม่ใช่หนีเข้าหลงเข้าป่าที่ไหนหัดเนีมันลุยสักหน่อยก็ดีเนะืมถ้าทายมันดูสักหน่อยนะนะถ้าถายดูสักหน่อย อยู่วหยวนมาดูสักหน่อยเยมัออนอยู่สักหน่อยก็ดีนะนะเล่นกับมันดูมันจะเอาไหมคนนี้น่ารักนะสวยดีรักนะบอกให้มันเลยแล้วมันเป็นะอะไรข่มขืนตัวเองไม่เป็นไรครับความไม่รักไม่มีความสุขเพราะความรักไม่มีความทุกข์ความทุกข์ มันจะไม่เป็ น, ห, นหรอกโยโยยอยขนาดไหนก็ไม่เป็นหรอกอินทรีย์มันเจค๊กมันมีศรัทธาในตัวนี้มันทําอย่างนี้มันมีมาแล้วมีความเพียรที่จะดำริออกอย่างนี้มีแล้วถ้าบังคับมันมาก็ไม่เอามันข่มขืน ข, ข่มคืนในรักมันก็ไม่เอา ข, อข่มคืนในโกรธมันก็ไม่เอา ผมเกิดในสุขก็ไม่ออกผมเกิดในทุกข์มันก็ไม่ออกมันเป็นอิสระมันไม่เป็นอะไรมันบริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ยนี่ไม่ต้องไปหัดไม่ต้องไปหลับหูหลับตานั่งเดินย่องยองยังยังบายให้เขาด่าดูสิไอ้อูดไอ้โคไอ้แก่ไ อ, อ้ไอไอ แ, ไอแพ้เขาด่าพระพุทธเจ้ามากเขามาาึงด่า จ้างคนตามด่าเรายังไม่มีใครมาด่ายังไม่มีใครเลยเลายังคิดในใจนอนอยู่ก็ยังคิดเปาะ บ, บางเกินปไปนอนอยู่คิ ด, คดจนนอนไม่หลับแค่นี้หรือชีวิตเราเราเจงตรงไหนคิดเกิดมากินไม่ได้น้ําตาไหลเป็นโุกเป็นทุกข์ชีวิตมันเปาะ บ, บางสอกเกินไป อีกเหมือนปลาทะเลเห็นไหมปลาทะเลน้องตานั่งเหลือจากเกาะสวยไปนครศรีธรรราชเรือเรือเรือโดยสารใหญ่แล้วก็มีเรือประมงกลางคืนก็าหาปาลาโยมาอาศัยเรือเรือโดยสารเขามาอาศัยเขาจับปลาตัวใหญ่ ก็ยกจากน้ำขึ้นมาวางหัวเหลือหางกระดิ๊แตบปายไปแล้วใจสอบป่าน้ำเชมป่าน้ำจืด น, นี่เอามาวางกระดานในนี่หัวเหลือเชมก็โดดลงน้ำไปเลย <laughs> มันไม่มันก็ต่างกันนะแล้วชีวิตเราเนี่ยจะเป็นป่าทะเล ก, กันเหรอคิดก็สศกคิดก็ทุกขนะ์เหคิดก็น้อยไหมเราหรมีบ้างไหม บางทมีความทุกข์ความคิดหนา ม, มันมีอาวุธปางไหมมันมีปืนเมื่อไมมันมีโซ่ขวิตัวมาหมแล้วจะไปหัวเลาะเพราะความคิดลองให้ความคิดนอนอยู่ก็นอนไปหลับน้ำตาไหลเสียเปรียบความคิดที่มันเป็นทุกข์ตัวนี้ไรที่สุดหลยไม่มีไรที่จะรู้ทันในความคิดเนี่ยงอกจากสติเราจึงมีการฝึกสติกันแบบนี้ เลือกมาอะไรแล้วพุทเจ้าเลือกให้เราแล้วชาตวกที่ส่วนเราต้องทําแบบนี้นะในหลองตาก็มั่นใจเรามีเพื่อนมีมิตรไม่ใช่อยู่ลอยลอยมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีธรรมที่ทําให้เป็นพุทเจ้ามีธรรมที่เกิดเป็นธรรมมีธรรมที่ทําให้เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาสาธิตวัดชอบตามทํารมในาง เรามาอยู่เราอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่โจรพลอยไม่ใช่ขี้เกียจขี้ค้านนะไม่หลบลี่เพราะโง่จึงมาอยู่ป่าอยู่ป่าเพราะโง่เหลือกะขี้เกียจเหรือหนีมาบวชไม่ใช่เลยจนจะตายแล้วนะเนี่ยในข่าวเจ้าหนังเผอไปชอบข้อมูลมันอะไรถามไปถามมาเจ้าหนังเผอไปยกก้อนหิน คนเห็นหนกักได้สามคนหมดแรงเลยเอาจจะตับแตกนะเนี่ย <c oughs> ดูแล้วไม่ใช่อะไร <c oughs> เจ้าของอำเภอหมอแล้วภาพนะเลยอาจจะตับแตกนะอันนี้ได้ข้อมูลคิดแต่เองนะตอนรักษาที่ตายมันตอนตับแตกใช่ไหมคุณหมอมันแน่นปวดท้องแน่นหน้าอกหาย ใ, ใจไม่ได้ นอนตาไปดูคนรถชนพอไปรองพยาบานก็พูดดีไม่มีตรงไหนหักขาไม่หักพอนอนคุยไปคุยมาปวดท้องพ่ออุจึกปวดท้องพ่อแป๊บเดียวแน่นเอาอกพ่อหายเข้มไปได้แล้วพ่อแป๊บเดียวตา ย, ยตับเออ ว่าพี่เธอตับแตกน่าจะแตกนะคนอ่อนแออย่างคนลงหนึ่งลงต่อไปยกก้อนหินไปวางวางเถอยกได้สามข้อต่อโอไม่ไหว <laughs> อะไรไม่ทำเลยนี่ให้อย่าไปโหมเกินไปทำงานทำงานนะรู้จักหลับจักนอนอย่าไปาเครื่เครียดเกินไปจะกคลายใจวางไม่เป็นอะไร เอาจริงเอาฉันกับโลกันไว้ว่าอย่างนี้สะสมวนจช